อา้าวอยู่ในความสงบนะคณะสถาญาตโยมลูกหลานทันะ้งบ้านใเนี่มีอย่างหลวงพ่อจะบอกยังไงฟังปาลบลึงงานของห้องมือ เ, เดี๋ยวหลวงพ่อจะได้กล่าวหรือพูดอะไรให้คณะสถาญาตโยฟังเพราะว่าถ้าหากว่าไม่พูดไม่กล่าวอะไรเลยก็รู้สึกมันจะขาดเพราะเราจัดงานทั้งที พวกงานวันนี้ก็เป็นงานสำคั ญ, ญ ura, ยิ่งของอำเภอนายยงของพวกเราเป็นงานทำบุญเปิดจํานักงานใหม่เปิดสาธารณสุขอำเภอมีอยู่แล้วแต่มันเก่าแต่มันได้ทําขึ้นหลังใหม่ฟังฟังดูแล้วก่อนหลังนี้ก่อนใช้จ่ายงบประมาณไปสมล้านกว่านะเกือบสี่ล้านนะ ดูดูแล้วก็ใหญ่เหมาะสมที่เป็นสาธารณสุขอำเภอแล้วก็เป็นวันนี้ถือว่าเป็นวันงาน อ, อสอมอแห่งชาติอำเภอนายุงวันนี้เป็นวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2560ันหาอกณสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอนาอยูวันนี้ก็มีท่านในอำเภอมาเป็นประธานแล้วก็มีท่านผู้กากับและก็หัวหน้าส่วราชการไม่ต้องพูดถึงสาธารณสาธารณสุขหลวงปู่ท่านเป็นเจ้าของบ้านอยู่แล้วแล้วก็จะมีผู้ใหญ่มาตักมากจากทางจังหวัดด้วยสราบไปอย่างงั้นวันนี้ตอนใช้สายแต่ถึงยังไง ท่าว่าท่านวิเชียงเขาคามาให้พวกเราบอกเลยนะบองพ่อบอกทวงถนนไทยนายุงกุดเชืะะเอ่อมนะหลวงพ่อยังไม่ลืมแต่ว่าทราบว่าท่านมาสายสักหน่อยะนะ <c oughs> แล้วก็ทวงสายสองอีกออจากนาคำน้อยหัวช้างรู้สึกว่าเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะออบอกท่าน ท่านพิเศษโดยพราท่านหน้าที่ของท่านโดยตรงท่านเป็นผู้ทําให้กับพวกเรานะมันชารุดทําไมชารุดชำรุดเร็วนักหลงพ่อเนะี่ยพอว่าน้ําท่วมเมื่อวันที่แปดที่เก้าพฤติการนะ์เสียหายมากอำเภนะอนายู่ก็เป็นที่รู้กันเพราะนั้นถนนสายนี้ก่อนมีส่วนที่น้ําห้วยลางมันกัดซอะเสียหายเพราะนั้นถ้าท่านหัวหน้าใหญ่มานะ อขอหลวงพ่อขอฝากไปเพื่อฝากให้ท่านด้วยแต่สมพ่อคงจะกลับก่อนนเสียดายนะ <c oughs> วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเพราะว่าพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกหมู่เหล่าอยู่ในเขตอำเภอนายูงหรือมาจากต่างจังหวัดที่เข้ามาเขตอำเภอนายูง เพราะว่าเพื่อนายุของเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งก็คือวัดป่าภูก้อนเป็นที่รู้จักกันโด่งดังไปทั่วโลกไม่ต้องว่าทั่วประเทศนะแ่พอมันออกทางโซเชียลทางยูทูบทางเฟซเฟซบ o ๊กออกไปดังไปทั่วทุกหัวละแหง่งพี่น้องไปชนชาชนจากต่างถิ่นต่างแดนที่ไป ทามาค้าขายทไปทำการทำงานต่างประเทศพอมาถึงประเทศไทยแล้วก็ต่างหลั่งไหลขึ้นมากราบพระผูผ้ก่อเพ ER ราะนั้นอำเภอนายูงของเราจึงเป็นแหล่งหนึ่งที่รับผิดชอบทั่วทุกทุกคนที่มาเข้ามาในเขตอำเภอนายูงมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งสาธารณสุขทั้งอสมอสมอสมคืออาสาสมัคร ในหมู่บ้านที่ดูแ ล, แลพี่น้องประชาชน เ, าเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละวันนี้ก็ถือว่ า, าพวกเราท่านทั้งหลายได้มาเปิดสำนักงานสาธารณาสุขอำเภออำเภอนายูงมีท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับและก็หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยที่มาร่วมกันามาร่วมทำบุญณนะเวลานี้นะ พราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในเขตอำเภอนายูงก็ขอให้ช่วยๆกันดูทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยนั่นแหละแต่เพราะว่าผู้ใดใครก็ตามที่มาเข้ามาในเขตอำเภอนายูงคล้ายๆกับว่าได้มอบหมายมอบชีวิตการเป็นอยู่สุขภาพร่างกายทุกอย่าง ไว้กับอำเภอนายูงถ้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็คช่วยช่วยกันอย่างเพื่อไม่นานมานนะี้ขนาดเด็กนักรถเด็กนักเรียนที่เขามากราบพระภูก้อนเป็นเวลาฝนตกเพราะว่าเขาอยู่ในท้องถิน่นอยู่ในท้องถิน่นไม่รู้จักว่าในท้องถิ่นของเรามีปัญหาอะไรบ้างแต่ตามไม่จริงอำเภอนายูงอำเภอน้ําโสมของเรา น่าจะติดป้ายเป็นระยะระยะไว้กว็ดีมันกันนะ เ, เพราะว่ า, เ, าเราจะได้รู้จากว่าอำเภอนายูของเราเนี่ยมันถนนรื่นเวลาฝนตกนะ เ, เวลาฝนตกถนนมันรื่น เ, เมื่อถนนรื่นแล้วก็รถต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาเยี่ยมเยียนอย่างมากราพุกก้ อ, อย่างนี้หละามาก็ไม่ไดี ไม่รู้ว่าเหมือนกับถนนทั่วไปเห็นถนนลาดยางแต่ที่ไหนได้มันเป็นถนนขี้ยางน้ำยางน้ำยางผาราของเราขายทุกวี่ทุกวันน่ะมันหยดไปตามถนนจากนั้นมันก็แห้งพอแห้งขึ้นมาก็เป็นกรังอยู่ในถนนพอฝนตกขึ้นมามันก็เป็นเมือกอะไรตันี่ยผลที้สุดรถมาจากต่างถิ่นต่างแดนก็ทําให้ทำให้รถลืน่นอย่างเมื่อกี้เนี่ยการตรถมาจากนาครพนมรถบัส กระตะแคงข้างที่ทางโค้งนี่ยนะไอ้หลวงพนที่สุกันเนี่ยเข้าไปอยู่ที่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยได้รับรู้รับทราบรับทราบข่าววันนั้นก็เป็นวันฝนตกใหม่นะไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านให้ช่วยช่วยกันบอกกล่าวหรือว่าทําเป็นป้ายกนนี้ซึ่งไม่ใช่ป้ายใหญ่ให้ป้ายเล็กก็ได้เพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็น เอเ่เออําเภออําเภอนายยงก็ขอมอบให้กับแหละสาธารณาสุขนี่แหละเป็นผู้ดูแลสุขภาพทางร่างกายของพี่น้องประชาชนมาจากจากตุรทิศมาจากทุกแห่งหนถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราต้องรับผิดชอบเพราะจะเราเป็นเจ้าของท้องที่ท้องถิน่นพื้นที่นะเอออันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆุกท่านถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว ถือว่าเรามาเปิดสำนักงานใหญ่เป็นที่รู้กันแล้วก็เป็นฟังฟังดูแล้วก็ o all, um ung, อสมขยอยในเขตอำเภอนายงที่เป็นอาสาสมัครผู้มีน้ำใจก็ตั้ง600้อยนะฟั ง, ฟ, งฟังดูแล้วนะที่ดูแลดีหลวงพ่อว่าเพราะว่าอำเภอนายงเป็นอำเภอสุดท้ายปลายแดนแล้วก็พร้อมกัน เ, เป็นป่ารงพงไย พร้อมที่พว ก, วกโรคติดเชื้อต่างๆแตะกอนกับ น, นี่แหละอําเภอนาโยนเป็นอําเภอที่มีไข้มาลาเรียมากที่สุดในจังหวัดอุดรแต่เดี๋ยวนี้ก็พอจะกไข้มาลาเรียเสร็จแล้วก็นี่แหละไข่อะไรไข้เลือดออกไปเนี่ยจุดนี้ก็อีกไม่นานเนี่แหละต่อไปนี่เขาเริ่มละพอฝนตกลงมาหน่อยนีงแล้วน่ะก็ให้ช่วยๆกันดู ดูแลพี่น้องประชาชนสุขภาพร่างกายถ้าว่าสุขภาพร่างกายพวกเราดีก็พร้อมที่เศรษฐกิจบ้านเมืองก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าเรารักษาสุขภาพมีแต่เจ็บไข้ได้ป่วยในพื้นที่นะหาความสุขไปได้การเงินการทองทั้งหลายหามาได้เท่าไหร่กีดย่างมาได้เท่าไหร่มาก็มีแต่มารักษาสุขภาพร่างกาย มีแต่เป็นโครคภัยไข้เจ็บสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับสาธารณสุขสาธารณสุขเป็นหัวใจส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเขาบอกว่าแต่สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ให้การสนับสนุนทั้งสาธารณสุขทั้งการศึกษาการศึกษานี่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเพราะว่าพี่น้องประชาชน คนในเขตอำเภอนาโยงท่าว่าไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเกิดมาแล้วก็โง่เง่าเตาตุนไปที่ไหนก็ประจักรพัฒนาประเทศชาติจะพัฒนาอำเภอของเราได้อย่างไงถ้าเด็กของเราไม่มีคุณภาพนะ<ม>เด็กด้อยการศึกษาโรงเรียนก็จําเป็นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองเป็นที่เป็นหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาในะอยู่ในถิ่นนี้ท่าว่า ลูกหลานเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามมองว่ามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยโรงเรียนหัวช้างเป็นนักเรียนมีมากแต่นักเรียนไม่ค่อยดีหลวงพ่อก็ได้หานายทุนศรัทธาญาติโยมที่มารู้จักมักคุ้นมาสร้างให้อาคารเรียนบ้านหัวช้างอย่างนี้แหละเป็นตน้น แล้วก็ไม่ใช่แต่ในระแวกนี้ระแวกอื่นก็ได้ทำให้หลายๆโลร ง, ลงเรียนอันนี้หลวงพ่อมองรู้ว่าประเทศชาติบ้านเมืองถ้าหากว่าร้อยการศึกษาการศึกษาไม่ดีประเทศชาติจะพัฒนาไปได้อย่างไรอันนี้คือส่วนหนึ่งในเมื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพแล้วโคกคนก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้จาเป็นอีกเหมือนกันเพราะอะไรพราะเหมือนกับรถเนี่ย ถึงจะซื้อมาจากต่างประเทศจะเป็นรถสไลอยรถเบนซ์รถเก๋งบีออะไรก็ตามราคาแพงขนาดไหนก็ตามแต่มีโอกาสที่จะเข้าอู่ น, ะนี่ก็เหมือนกันพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเกิดมาในสกุลใดนามสกุลใดท้องถิ่นใดก็พร้อมที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นโรงพยาบาลก็มีส่วนจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งอีกส่วนหนึ่ง เพราะนั้นสาธารณสุขเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวการศึกษาก็ส่วนหนึ่งและกับสาธารณสุขอํานวยความสะดวกอำนวยความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทั้งสองอย่างและก็พร้อมกันวัดวาศาสนาอย่างหลวงพอ่อเป็นหลวงปูง่หลวงตาทางพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็น ทางหนึ่งอีกเหมือนกันเมื่อพวกท่านทั้งหลายการศึกษาดีได้รับการงานที่ดีสุขภาพดีแต่อีกสักวันหนึ่งทุกคนก็ต้องถึงจุดจบฮะไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้เพราะว่าเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดถึงจะเรียนเก่งขนาดไหนหน้าที่การงานสูงขนาดไหน ถึงสุขภาพร่างกายดีขนาดไหนบั่งมีสีสุขขนาดไหนร่ํารวยขนาดไหนแต่ทุกคนก็ต้องถึงจุดจบ อ, อันนี้พูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเองไม่ไดเอาความตายมาขู่กันเป็นขั้งสุดท้ายไม่ใช่อันนี้เพียงชี้ประเด็นให้ให้ดูชี้ประเด็นให้ฟังว่าจริงไหมไถึงทุกคนต้องถึงจุดนั้น อ, อันนี้เราจะเตรียมเตรียมตัวอย่างไรในหลักของพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของพระแล้ทีนี้นะ เป็นน้าพี่ของหลวงปู่หลวงตาอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะต้องแนะนำบอกกล่าวพอหลวงพ่อเองได้ฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนานี่ศึกษามาทางนี้โดยตรงมาตั้งแต่อายุสิเบปีเป็นสมเด็จอยู่ป่ามาตลอดอจนถึงเดี๋ยวนี้ก็72ปีนะลูกหลานวันที่27เมษายนนี่ก็นี่แหละ เ, เป็น7จอเ็ปีเต็มเพราะนั้นลูกหลานนะวัน วันวันที่ยี่สิบเจ็ดน่าโคษนาบอกกล่าวเดียวนี้เลยนะมา ก, กิานก็ต้มขนมกหลมพ่อก็ได้วันนั้นนะ่ะหลวงพ่อจะเรียกก็ต้มขนมเต็มที่เลยวันนั้น <c oughs> นี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อจะได้พูดได้กล่าวว่าชีวิตของพวกเราในจุดนั้นจะทาตนอย่างไรมีใช่ละตายแล้วศูนย์นะทีนี้หลวงพ่อได้ศึกษามาแล้ว ศึกษามาทางนี้โดยตรงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็าไปค้นคว้าศึกษาท่านรู้เราตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะท่านาท่านทั้งหลายอยากจะรู้ไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องเดาไม่ต้องประมาณการไม่ต้องคิดอย่างอื่นมีแต่นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อ เวลานั่งขันตมาที่ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำเจ็จิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของท่านสงบแล้วท่านไม่ต้องถามใครท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเนี่ยคือรูปประธรรมแต่นามประธรรมคือตัวนึกคิดคือตัวสมองนั่นแหละแต่ภาษาทางแพทย์ทางหมอเขาว่าสมองสมองเป็นผู้สั่งงานแต่เธอเอาเธอคนที่มาสั่งสมองนั้นนะ่ะ พวกเรายัางมองไม่เห็นจุดนั้นคืออะไรแต่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าดูแล้วคนที่มาสั่งสมองตัวที่มาสั่งสมองนั่นะคือวิญญาณคือตัวผู้รู้คือใจอ่ถ้าเราจะเปรียบเทียบให้ฟังร่างกายของเราเหมือนกับรถรถทุกวันนี้ราคาแพงๆนะมันจะมีมันจะมีสมองกลจะมีสมองกล อ, อ, อยู่ในรถคันนั้น พอจะต์ดเครื่องขึ้นมาแล้วสมองกลตอนนั้นมันจะบอกว่าในตัวของมันนี่มีอะไรบ้างน้ำมันยังเหลือเท่าไหร่จะวิ่งได้เท่าไหร่แล้วก็ลดล้อซ้ายล้อขวาเบรกหน้าเบรกหลังมันจะบอกทั้งหมดตัวไหนที่มันขาดตกบกพ่องในตัวของมันนี้ก็เหมือนกันของเราพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้ได้ว่า สมองก็สั่งแล้วว่าร่างกายของราปวดแข้งปวดขาหิวอาหารอย่างไรเี่อแต่ตามไม่จริงใครเป็นคนรู้นะเนี่ยไม่ใช่รถหรูรถนะมันมีสมองของมันเท่าเองแต่คนที่รู้ก็คือโซเฟอร์ที่ไปจะตัดเครื่องนะตัวนั้นละ่ะเป็นคนรู้ว่าล่างรถคันนี้มันขาดอะไรขาดน้ำมันอะไรโซเฟอร์ น, นั่นเลยเป็นคนหาปัจเพิ่มเติมนี่ก็เหมือนกันใจของเราเนี่มันมา มันมารับรู้ทางสมองแล้วก็เป็นผู้สั่งแต่วิชาทุกวิชาในโลกนี้เขามาค้นคว้าศึกษาได้แต่เพียงสมองแต่เขาศึกษาไม่ถึงที่ว่าผู้ที่มาใช้สมองนั้นคือใครนี่แหละในหลักของพทธศาสนาที่ท่านเน้นจุดนี้นจจุดที่ว่าคนที่มาใช้สมองนั่ น, นเป็นใคร นี่เมื่อเราตั้งสมาธิแล้วจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันเหมือนกับรถรถกับคนขับรถลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราศึกษาในจุดนี้เมื่อตายแต่ตายสู่ดินน้ำลมไฟเมื่อหมดอายุสังขารถึงจะเลี่ยงดีขนาดไห น, นการศึกษาดีขนาดไหนเอพอในส่วนกระทึงจุดจบ ได้เมื่อจุดจบแล้วร่างกายถึงจุดจบนะแต่ตัวนมามธรรมตัวโซเฟอรนะ์จะต้องออกจากร่างกายไปถือปฏิสนธิไปหาเกิดที่ใหมออ่อีกไปเกิดไปก่อพบก่อชาติอีกนี่หลักของพุทธศาสนาท่านศึกษาข้ามซดนะข้ามพบข้ามชาติข้ามข้ามความตายไปอีกเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะถ้าอยากจะรู้ให้ภาวนาไม่ต้องคาดการไม่ต้องคาดคะนไม่ต้องเดาไม่ต้องประมาณการ ผิดทั้งหมดมีแต่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาธิโจมลูกหลานทุกคนเพราะฉนัน้าญญานหลวงพ่อเองจึงได้บอกกล่าวแนะนําสั่งสอ น, นาญญาคณะรัตยาธิโจมตามแนวแถวของพุทธะตามที่หลวงพ่อฮะหลว ง, งพ่ออินเนี่ยเป็นเดนจนถึงเป็นพระได้ศึกษามาแล้วมาบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายและก็อย่าเพิ่งเชื่อหลวงพ่อพูดนะให้พวกท่านทั้งหลายลงมือปฏิบัติก่อน ตามแนวแถวที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนนี่แนหะให้นั่งภาวนาพอนั่งภาวนาแล้วพวกท่านไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพอราะอะไรเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่โกหกพก่อลมพูดตามความเป็นจริงให้พวกเราฟังเมื่อจิตใจเน่งเข้าสู่ความสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจใจกับตับกายเมื่อร่างกายแตกไปแล้วนะั้นตัวผู้รู้นมามธรรมตัวนี้แนหะชัดเจน จะไปเกิดออกจากร่างนี้จะไปเกิดปฏิสนธิในพบภูมิทางต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์อย่างเก่าไม่ได้นะถ้าว่าเราทํากรรมชัว่วที่ทํากรรมที่ไม่ดีนะีอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ันฉานสร้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นดวงวิญญาณยานดรงนี้ถ้าเรามีบุญมีกุศลประกอบคุณงามความดีดวงวิญญาณอันนี้ก็จะไปไปทางสูงไปเลือกเกิดเป็นมนุษย์เป็นเป็นภพ เทวดาชั้นต่างๆได้ทั้งนั้นนี่แหละเรื่องเรื่องจิตใจเรื่องตัวนี้มันต้องศึกษาเพราะฉะนั้นขอให้พวกฝ า, ากไว้พวกเราทุกๆท่านด้วยอันนี้ก็คือการเกิดคือพื้นแผ่นดินไทยการศึกษาจากนั้นแลการสาธารณสุขดูแลสุขภาพกายแล้วก็พร้อมกันพุทธศาสนาการดูแลสุขภาพจิตดูจิตดูจิตดูใจของพวกเรา ใจของเรามีอะไรเนี่ยนแะหลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้มาสู่จุดดูแลสุขภาพกายนะคือสาธารณาสุขอำเภอท่าว่าผี่น้องประชาชนทุกหมู่เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็มาปรึกษากับสาธารณาสุขเป็นพื้นฐานท่านก็จะได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวว่าโรคอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้ ควรจะไปหาหมอไหนอย่างไรนี่แหละคือเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นสําหรับพวกเราพวกเรามันต้องมีที่ปรึกษาทั้งหมดนะปรึกษาน้อยปรึกษาใหญ่นี่แหละถือว่าเป็นสถานที่สําคัญของอําเภอนายูงแห่งหนึ่งวันนั้นวันนี้หลวงพ่อเองก็ได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำศาสนพิธีขึ้นอาคารหลังใหม่เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสวดพระปริตัมงคลก็เพื่งจบไป แล้วก็พร้อมกันทั้งผู้ใหญ่ในอำเภออย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวท่านก็มาพร้อมนากันทั้งอำเภอวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตรนิเนอร์แล้วก็พร้อมกันเมื่อให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการทอดผ้าป่าเพื่อบำรุง สาธารณาสุขเมื่อคมลลงไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของหัวหน้าสาธารณาสุขนะเป็นของพวกเราทุกคนลูกหลานทุกคนที่เข้ามาใช้บริการถ้าพวกเรามานะมาหานะมาใช้บริการมาหาพบในมาพบสาธารณาสุขมาพบนะมาตรวจนะร่างกายมาตรวจฟันตรวจอะไรเป็นเบื้องต้นนะมาแล้วไม่มีพัดลมล่ะไม่มีไฟล่ะ พวกเราว่าเป็นยังไงท่นี้ไฟและพัดลมมาจากไหนถ้าว่าเป็นไปได้กันเนี่ยแหละเงินที่ทอดผ้าป่าในวันนี้ละบางทีก็อาจจะทมากกว่านั้นอาจจะซื้อแอร์พวกเราก็มาก็เย็นฉ่ําสบายมาสาธารณสุขนะเนี่แหละเกิดประโยชน์ถ้าเราทอดผ้าป่าแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วคณะทถาญาติโยมมันเป็นสมบัติของของหลวงของพวกเราทุกๆคนนั่นแหะที่ใช้รวมกันนะ ตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรตั้งรับพรนอะแล้วก็พร้อมกันอุทิศ ส, ส่วนกุศลอย่างที่ทา ย, ยกได้พูดได้กล่าวว่าในวงการสาธารณาสุขของเราเก็นี่นะ เ, เกิดแก่เจ็บตายมารู้ว่ากี่รุ่น อ, อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอีกเหมือนกันนั่นนะ เ, เมื่อตายไปแล้วนะดวงวิญญาณถ้าเราตั้งใจไปที่ไหน อ, อ, อาจจะตกทุกข์ได้ยากอยู่ก็ได้เพราะนั้นพวกเราอยู่เบื้องหลัง กับพร้อมการกับอุิศส่วนกุศลต่อดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นอย่างตามแนวแถวของพุทธศาสนาต่อนี้ไปรับผ่อนนะดิฉันะ